ยาสานุสงกรณ์เนนาปิอันตะเลคเคปิปานิโนปติธาติขัดฉันติภูมิยังวิยาสับปทาสับผูปทาวาชาลัมหายาจาจงราทิสํมภวาคันนันนาจามุตา낭 พังกริตตังตังพันนามะเหเอวังเมสุตัง เอกลางสมัยยังพ a ะขวาสาววันที่ยังวิหารติเชตวันเนออนนาทพินติกาสอาราเมตระโคพระขวานพิคูอามันเตสิพีขัวติพาทันเตติตเตพีคูพระขวัตตัวปัจจโสสงพระ k วา a เอตตโวจา ภูตาปุพังพิฆเวเทวาสุนทรสังขามัวสมัวพยุนหัวอาหัวอาตะโคภีฆเวสากุเทวาณเมินโทเทเวตาวติงเสอามาณเตศเจมาริสาเทวานังสังขามคตานาอุปาเชยพยังวาชัมพีตตังวา โลมหังโสวามเมวะตาสมิงสมาเยทะชาคังอูโลเกียธามาหมายวัวทชาคังอุนโลเกยะตังยางภาวิสติพยังวาชัมตังวาโลมหังโสวาโสปิเยสติโนเจเมทะชาคังอุนโลเกียธาธาปชาปเตสเถ วังราชาสัทชาคังอวนโลเกยาถะปชาปเตสหิวเะราชาสัทชาคังอวนโลกายตังยางพเวสสติพยังวาชัมพิตตังวังรมหโสงวาโสปิเยสติโนเจปชาปเตสเทวังราชาสัทชาคังอวนโลเกยาถะทัต วังรุณาสเทเวยังราชาสัทชาคังอุนโลกยาทวังรุณาสหิวัฒเวยังราชาสัทชาคังอุนโลกายต่างอย่างพเวสติพยังวาชัมพิตาต่างวาโลมหังโสวาโสปิเยสติโนูเจวังรุณาสเทเวยังราชาสัทชาคังอุนโลกยาทัตไทยสา นาสะเทวราชาสะทชาคังอุนโลเกยะตาอิสานาสหิวเทวราชาสะทชาคังอุนโลกยะตังยังพระเวสติพยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโสวาโสโสิเยสติตังโขปนาเปขเวสกัสวาเทวาณมีนทัสทชาคังอุ อุนโลกยตังประชาปฏิสวะเทวันราชาสัทชาคังอุนโลกยตังวันรุนาสวะวันราชาสัทชาคังอุนโลกยตังอิสานาสวาเทวันราชาสัทชาคังอุนโลกยตังยังพเวสติพยังวาชามพิตตาตังวาโลมหังโสวาโส ทาปิโนปีปะฮีเยทันตังกีเหตุสากโอหิเพฆเวเทวานมินทอววีตังตราโคอวีตะทัโสอวีตะโมเพียงรู้ชัมเพีออุตราสีปังรายีติอาหารจะโคเพฆเวเอวังวะทามิสเจตุมหากังเพีฆเวอรัญญาทตานาง วังวางรัวข่ามัวรักตา낭ว่าสุนญาข่ารักตา낭ว่าอุปาเชยพยายามว่าชัมพิตตังว่ารัวมหาสัวมะเมวตาสมิงสัยเยอโนสังเรยาทัยติปิโสภาขวะอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจักรณะสัมปันโนสุขโตโลกกวิทุ ผวอนตั้วปุริสัตมสารติสัตถาเทวมนสานางผัวโทภควาติมามังอีวะพิกเวอนสัะตังยางพวะตยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโสวาโสปิเยสติโนเจมังอนสังเรยาธธธรรมังอนสังเรยาธสวค ตัวภคะวตาธรรมโมสันติโกอกคาริโกเอีิปัสสิโกอวัปัญญิโกปจจตังเวทิตาผัวินยวฮติธรรมังอวะเพฆเวอนุสกรตังยางพระเวสสติพยังวาชัมปิตตังวาลวมหังโสวาโสปยสติโนเจธรรมังอนุสเร เรียธาทสังฆานตสเรยยธาสุปฏิปันโนภาควัตวสาวกะสังขวอุชุปฏิปันโนภาควัตสาวกะสังขวายาปฏิปันโนภควตวสาวะกะสังวยาทิถังจัตตาริปุริสยุคานิอัะถุริสปวัคล เอสับปะาวตัวสาวกสังขว่าอาุเนยโยปะุเนยโยตากิเนยโยอัญชรีกัลระมิโยอันโนตังางปุญญาเขตตังโลกาสัตติสังขังอิวะเพกขเวอันโนสังกะตังยางภเวสติภยังวาชัมพิตตังวาโละมหังโสวาโสปิเยสติตังกีสะเห ตุทัฏฐาตโตอิปิฆเวอรหังสัมมาสัมพุทวเวตะราเวทะโธโสเวตโมโหอภิญโกรุชัมภีอนุตัณาสีอัปปลายีติธรรมวจิปะคะวะอิทังวตวานสุขตวะอะถาปะรังเอกาทวะจะสาธาอรัญเยรู้ขะวมเรวาสุญญาขะเรวะ ขั้วอนุสเรถสัมพวทังพยังตูมหากนรสิยาโนเจพวทังสเรยาทะโลกเจทังนัราสะพังอธามมังสเรยาธนิยานิกังสุเทสิทังโนเจทังมังสเรยาธนิยานิกังสุเทสิตังอธสังขังสเรยาทะปุญญาเขตตังอนุตระรางเอวังพวท ทางสารตานางธรรมบางสังคัญจะเพียข้าพยังวาชมพิัาตณาวาโลมหังโซนะเฮสตี